แต่ตอนเย็นมาเนื่องจากว่าเราสั่งสมเวทนามาทั้งวันใช่ไหมเวทนานี้ก็ตกค้างพอตอนเย็นมารู้สึกหนักทั้งตัวเลยเดินมันไม่เบาเหมือนตอนเช้าเลยนะสังเกตไหมคุณเล็กสังเกต น, นั่นแสดงว่าเราได้สั่งสมข้อผิดพลาดมาทั้งวันแล้ววันถึงได้เป็นเป็นวิบากตอนเย็นนะั่นนะทําให้เราเดินแล้วเดินอย่างไงมันก็ไม่เบาอ่ะเดินยังไงมันก็หนักอ่ะนั่นแสดงว่าไอ้สั่งส ม, มความหนักรู้สึกหนักเอาไว้ที่ขามันก็เกร็งก็ตึงใช่ไหมก็เทนส์ ไอ้ไอ้การเทนส์ของแข่งขามก็ไม่ใช่ไม่ใช่ระบายได้ง่ายๆมันต้องค้างอยู่ตัวนั้นคือเป็นที่มาของก็วิบากกรรมเพราะฉะนั้นในคําสอนพุทธเจ้าหน่วยวิบากกรรมตัวนี้จะแก้ด้วยสติปัญญาจะชําระด้วยสติปัญญาก็คือเข้าไปแก้ปัจจุบันกรรมเนี่ยคําว่าวิบากคือผลของข้อผิดพลาดในอดีตนะในอดีตใช่ไหมมันการเป็นวิบากกรรมแต่ถ้าเรามีสัมมาถสติสัมมาสังกปะหน้าปัจจุบันชัดเจนเนี่ย วิบากกรรมต่างๆก็จะสลายตัวอย่างองคุลิมานใช่ไหมค่าคนมาเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันนะแต่มาแก้วิบากถูกต้องไดยสมาธิไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะมันสลายทันทีอาจารย์กวิทย์พูดตรงนี้น่าสนใจท่านบอกว่าในรรำเนี่ยมันมืดมาเป็นแสนแสนปีอะ่ะแต่พอเราเอาไอ้สปอร์ตไลท์เข้าไปความมืดเหล่านั้น มันค่อยออกมาย้อนหลังไปอีกแสนปีไหมต้องใช้เวลาอีกเป็นแสนปีแม้ที่จะหายไม่แต่มันหายไปทันทีเลยใช่ไหม ท, ทั้งที่มันสั่งสมอายุมืดลงมาเป็นแสนแสนปีอะ่ะแต่พอสปอตไลท์เข้าไปมันหายวับเลยนั่นแสดงว่าอ น, นี้คือมิติที่เปลี่ยนนะมิติที่เปลี่ยนเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเอาละทีนี้จะมาเริ่มต้นเรื่องของ อธุกรรมสุขเวทนาที่เอ่ยที่ที่ทกลืนว่าเมืก่กี่สุขเวทนาทำให้เกิดอะไรที่เราฟังแต่แต่วันแรกแล้วใช่ไทุกเวทนามันอย่างรากลึกไปถึงไหนนะทีนี้ในตัวอธุกรรมสุขเวทนาเป็นอย่างไรที่มาบอกว่าถ้าความรู้สึกสบายเป็นสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเป็นทุกเวทนาแต่ความรู้สึกที่เป็นกลาง ไม่สุขนักไม่ทุกนักเป็นอาทุกขมาสุขเวทนาในแง่ของกายนะแต่นแน่ของในแน่ของกายนี่ดีเพราะมันเป็นกลางแต่ถ้าเราไม่เห็นสภาวะความเป็นกลางอย่างถูกต้องไอความอาทุกขมสุขเวทนากลายเป็นอุปเปกขาวเวทนาเมื่อวานบอกว่าทุกขเวทนาที่เราเห็นมันด้วยไม่เห็นด้วยสติสมัยยะที่ถูกต้อง ทุกขเวทนากลายเป็นอะไรนะโทมานัสเวทนาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเห็นทุกขเวทนาอย่างถูกต้องอย่างที่เมืเราเดินแล้วมันตึงเนี่ยมันมันไม่สบายแล้วใช่ไหมเห็นไม่ถูกต้องมีการผ่อนคลายความทุกข์ความหนักยังยังอยู่ไหมหายไปเป็นปัญญาเห็นไหมจากจากทุกขกลายเป็นปัญญาได้ทันทีเลยจากมืดเป็นสว่างได้ทันทีเลยเพียงแต่เปลี่ยนว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้น อันนี้ในลักษณะของกายเนี่ยเพราะฉะนั้นในการจะเรียนรู้สภาวะที่เป็นจิตหรือปรมัตดเนี่ยมันต้องเรียนรู้สภาวะที่เป็นรูปไปก่อนเพราะมันเป็นตัวที่ศึกษาง่ายมันชัดแต่พอไปสู่นามสู่สภาวะที่เป็นปรมัตดแล้วมันเริ่มซับซ้อนแล้วก็ประสบการณ์ของเราที่จะมีต่อเรื่องเนี้เราไม่มีมาก่อนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปเห็นอย่างแจ่มแจ้งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเริ่มตั้งแต่แต่รูปไปในการศึกษาเริ่มจากสมมติไป เอาละทีนี้มาดูตัวอทุกข์ขมสุขเวทนาทางกายคือความเป็นกลางไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปแต่เนื่องจากเราไม่ได้เคยสดดับไไม่ไ้เคยศึกษาเรื่องของวิปัสสนาเราจึงไม่สามารถจะเป็นอยทุกข์ขมาสุขเวทนานี้ให้เป็นอุเบกขาสัมโพชงแต่มันไปเป็นอุเบกขาอะไรเวทนาเพราะนั้นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเสมอคนละเรื่องเลยนะ อุเบกขาสัมโพชน์ชงหมายถึงว่าเรารู้ความเป็นกลางอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนเห็นความโล่งปร่งไม่สุขไม่ทุกเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตัวนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชน์ชงตามสับเ้านะอันนี้เราเรียนเราเราก็ฟังฟังไว้ก็ก็กดีไม่ต้องจําก็ได้ฟังไว้เวลาผ่านหูต่อครั้งต่อไปมันจะนึกออกว่าอ๋อคําว่าอุเบกขาหมายถึงอย่างนี้เอาคําว่าอุเบกขาเวทานามันหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่าแทนไอ้อาทุกข์ขมาม่สุข กเวทนาทำแให้เราต้องสําคัญผิดว่าสุขทุกความสบายนี่เป็นเราแล้วก็คนก็ไปยึดติดความเฉยเมยห่วงพ่อพยุจฉะพู้ดีนะว่าเขาว่าเฉยเมยก็เฉยมองเขาว่าเฉยเมยนี่เป็นดูเปรเคือขาเวทนาเขาว่าเฉยมองนี่เป็า น, านปดูบุาคลสามพูดชงฉันเฉยแต่ฉันมองอยู่นะแต่ถ้าเกิดเห็นเมื่อไหร่ฉันชา์ดทันที แต่ในช่วงที่ไม่เคเกิดเหตุอะไรในชั้นมองอยู่นะเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะใช่ไหมในบริเวณนี้นะอย่าออกไปในหนูนะแต่ถ้าออกไปปั๊บนิดเป็นไงเราชาร์จดึงเด็กกลับมาทันทีเพราะหืนตกน้ําเดี๋ยวมันตกไปข้างล่างนี่เขาเรียกว่าเฉยมองเฉยนะแต่มองอยู่นะถ้าถ้ามันเกินขอบเขตที่ชั้นจากัดไว้นี่ยต้องจัดการทันทีจีตเชมื่อกันเราดูภาวะความรู้สึกดูอยู่นะแกไม่ได้คิดบุงแต็งอะไรนะแต่เรื่องคิดบุงแต็งปั๊บชั้นชาร์ทันทีเลยเอาอะไรมาชาร์จ เอาสตปัญญาที่ไวที่สุดที่ชาติดึงจิตกลับมาตรงนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงใช่ไหมเปลี่ยนจากอุเบกขาเวทนาให้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงได้ทันทีนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นตัวองค์ธรรมของพระพุทธศาสนาที่ท่านเลี้ยงไว้ท่านจะเรียงตัวสําคัญไว้สุดท้ายเป็นตัววัดผลศีล ส, สมาธิก็ ปัญญาและตัววิญญาณตัวนั้นนะ่ะถ้าตัดวินออกกลายเป็นญาณก็เป็นปัญญาเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสำคัญวิญญาณนะเอาราวะทีนี้มันจะเกี่ยวข้องสับกับสับมากขึ้นนะแต่พยายามทําความเข้าใจกันแล้วกันในตัวความรู้สึกครึ่งสบายไม่สบายที่เรื่องอทุกขม์มสุขเวทนาเนี่ยถ้าเรามีสติตามรู้ใ้ความรู้สึก เ ฉ, เฉยๆหรือเบาๆตนั้นก็กลายเป็นตัวโอเปิขาเป็นปัญญาเ้าเรียกโอเปิขาสามพุทธชงแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติมาเลยไม่รู้เรื่องวิปัสนาเลยเราก็จะไปเพลินในโอเปิขาเวทนาตัวโอเปิขาเวทนานี้ทําให้เราหลงเพลินทําให้เกิดความนิ่งความเพลินเอนจอยในความนิ่งอันนั้นใช่ไหมเวลานั่งเวนานสังเกตไหมเริ่มเอ็นจอยเรื่อความตื่นตัวเอาเวกเริ่มหายไปความอ็นจอยเพลินไปอาจจะเราไปสู่ง่วงสู่หลับ นั่นเรียกว่าโมหะกลายเป็นโมหะนะแต่ถ้ามีสติตามรู้มันกลายเป็นสมาธิตัวถัดขึ้นมาจากเปรคาสัมโพชฌงเป็นสมิสสัมโพชฌงใช่ไหมเห็นไหมมันมันมันเป็นตรงนั้นทันทีเลยเป็นสมาสมาธิถ้าหากว่ามาสติตามรู้ในตัวรู้สึกเฉยเฉยมอเฉยมองนะรู้สึกตัวอย่างใช่ไ ม, มันกลายเป็นสมาธิ ที่เป็นสมาสมาธินั่นนหะเราต้องรู้ที่ไปที่มาของของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาเราก็ทำผิดทั้งปีทั้ ง, างชาติได้จะบอกโอ้พุทธศาสนาไม่ใช่ไม่ได้หรือสติปัญญาเราไปไม่ถึงพ อ, อสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสักพักมันจะเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมโง่เป็นถีนมิทะดูให้ดีนะเลี้ยงให้ดีนะว่าทีนมิทาจากมิจฉาสมาธิมันก่อไปเกิดทีนมิทะ คือความง้วงงองความสลุมสลืมไม่ชัดหรืออีกตรงกันข้ามบางครั้งมันไม่ง้งไม่งวงมันมันพุ่งไปอีกทางเป็นอุทาจักฟุ้งมันไปตรงกันข้ามกับง่วงใช่ไหมถ้ามันฟุ้งแล้วมันไม่ง่งถ้าง้องไม่ฟุ้งวิธีแก้มันหรือไม่เป็นอุทาจมันชักลังเลไอ้ใช่หรือไม่ใช่เป็นอะไรวิจิกิจฉาดังนั้นในตัวนิวรังห้า สุขเวทนา่อให้เกิดกามะฉันทะทุกเวทนากอให้เกิดอะไรพยาปาทะอะทุกขมสุขเวทนาเป็นทีเดียวสามตัวเลยคืออะไรความงกวงเหานอนความฟุง้งซ่านความลังเลสงสัยเป็นโมหะอันเกิดจากอะทุกขมสุขเวทนาอันเจอความรู้สึกครึ่งกลางที่เราไม่ใส่ใจอย่างแยบคาย มันพัฒนามาเป็นอุปเปขาเวทนาพัฒนามาเป็นโมหะพัฒนามาเป็นอุทธีนวมิ t h พัฒนามาเป็นอุทัจจะพัฒนามาเป็นวิจิกิฉาเห็นไหมได้หลายลากแล้วสามสี่ห้าลากลงไปแล้วทีนี้พอมีการกระตุ้นอของความอยากชนิดถอือมันเริ่มตกหลบกกลายเป็นเลยรู้ไหมกลายเป็นมิ ชาทิฏฐินะวิชาทิฏฐิมาจากไหนมาเริ่มจากตัวอาทุกรรมสุขอะไรเรื่อเพราะฉนั้นที่ไปที่มาของแต่ละนี้่คุณธรรมความปรัสรู้ของพุทธเจ้าวิเศษคือคือโยงให้เห็นที่ไปที่มาของสภาวะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีที่ไปมีรากของมันนะแล้วสามาธิเราก็ยังไม่มีสติ ตามรู้วิปัสนาปัญญาตามรู้ว่าจะเปลี่ยนให้มันถูกได้อย่างไรก็เลื่อนขึ้นไปเป็นอะไร ม, มิชฉาสังฆปะไปลืลล่อยลื่ยจนเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเลยเลี้ยงอีกทีนะอันนี้ว่าใช้ส ม, มารถแต่เลี้ยงให้เห็นว่าพุทธธรรมมันมีผลต่อการที่เราปฏิบัติอย่างไรจากอทุกขมุขสุขเวทนาที่เราไม่มีสติปัญญาตามรู้กลายมาเป็นอุเบกขาเวทนา อปกราเวทนาสถิสตสัญาณเราก็ไม่กล้าพริีใตามรู้ได้อีกไปเป็นโมหะเราเป็นโมหะหลงสลืมสลือไปแล้วเป็นถีนมิถะของเงาของเขาหนอนทีนมิทะก็ยังไม่ได้ตามรู้ตื่นจากง่วงกลมาเป็นฟุง้งซ่านเป็นอุทัดจะฟุ้งซ่านเนี่ยกูปฏิบัติถูกหรือเปล่าเห็นปฏิบัติไป้มันง่ว ง, ง, งมันเงามันเบื่อมันเซ็งอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติถูกมันจะต้องชักลังเลคิดอะไรใช่ไหมเป็นวิจิกิจฉา อยากวิจิกริชาแล้วไม่มีสติปัญญาตามรูปมาเป็นตัวทิฏฐิมาเป็นตัวทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะลําดับไปเพราะนั้นรากรูปของอรูปปุสวดยาวมากเลยจากมิจฉาทิฏฐิไปจนมิจฉาสติวิชฉาสมาธิมิจฉาสติมิจฉาสมาิก็ลงไปเป็นอะไรที่ภา ว, าวิชาสวะโอเพราะนั้นอสวะทั้ง อันนี้ผม พ, พยายามเลี้ยงให้เร็วนะเพื่อจะให้พ้น พ, นพน้นไอ้ศัพทฤษฎีที่หลายคนไม่มีประสบการณ์แต่เพื่อเห็นว่านี่คือหลักทางพุทธธรรมท่านว่ากันอย่างนี้เราไม่ได้พูดเราเองแต่ ม, มันเรียงไปอย่างนี้นะถ้าจะว่าโดยภาษาไทยเข้าใจแบบภาษาไทยนะว่าความรู้สึกกลางๆที่ไม่สุขไม่ทุกข์เราขาดสติปัญญาไปตามรู้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนวิปัสสนาอย่างถูกต้อง ทึงทำสมถะมาตลอดก็ไปสําคัญม่านหมายเอาความรู้สึกเป็นการกลางเนี่ยเป็นความรู้สึกสบายเฉยๆอุปเปขาเวทนาทื่อทึมกับความรู้สึกสนั้นในขณะที่เราเพลินนะนั่งทาเพลินขณะนั่งเพลินนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมได้เห็นไหมเห็นได้ใช่ไหมแต่เราเรื่องไม่ไม่เอาแวและแต่ถ้าเรารู้ไม่รู้ตัวไปไงขยับดูการเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเรานั่งไปนานๆวิบากของเวทนาเนะั้นเริ่มตกผึกใช่ไหมทำให้รู้ไม่ขึ้นแล้วบางคนพอเสร็จแล้วรู้ไม่ขึ้นเลยด้วนะเนี่ยเนบกินเป็นวิบากไหมเป็นเกิดจากอะไรไม่รู้เท่าทันเต่าเปขาคือความรู้สึกที่เฉยๆเป็นโมหะแล้วก็ไปหลงเอ็นจอยอยู่กับไอตัวโมหะตัวนั้นเป็นมิจฉากรรมมันตาเห็นไมไปพวกมันเรื่อย เพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ออกมาเลยโอ้โหเรามีคําสอนพุทธเจ้าที่วิเศษมากแต่ว่าเราได้รับผลมันน้อยมากเพราะเราขาดโยนิโสมณสิการเราขาดครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงรู้แจ้งที่จะมาชี้บอกเราเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ค์นี้ก็าอาจารย์นี่ถูกอาจารย์นี้ก็อยอาจารย์นี้ใช่อาจารย์นั้นก็อาจารย์นั้นผิดในที่สุดมันก็เกิด confuse สับสนว่าไม่รู้ใครถูกจริงผิดจริงไม่มีอะไรตัดสินเลยใช่ไหม เพราะว่าเออไม่มีพระพุทธญาณมาชี้บอกเราแล้วาบางคนผ่านว่าไม่มีผู้ศา ส, สนามันสิ้นไปแล้วเกินห้าพันปีเกินห้าร้อยปีหมดไปแล้วไปนู่นเลยอันนี้คือความวิบัติคือการขาดหลักของปริยัติปฏิบัติแล้วพูดถึงสภาวะปฏิบัติก็ว่าแต่อารมณ์เป็นปลอมัติอย่างเดียวไอ้คนเริ่มต้นที่มันไม่รู้สีรู้สามก็ฟังไปเรื่อยๆฟังดีนะเพราะนะเข้าใจนะแต่ถามว่าทําได้ไมั้ยทำไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาตามลําดับ ขออาจารย์องไหนมาพูดดีเข้าใจได้แต่ทําได้ไหมเราฟังเมื่อกี่อาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ที่ว่าเก่งๆเนี่ะแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมไม่เปลี่ยนแปลง เ, เพราะเราขาดอะไรความแยบคายความละเอียดความถี่ถ้วนอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเก่งมาสอนท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาลงรายละเอียดเหมือนเราใช่ไหมท่านก็เร่งรีบพูดเร่งรีบไป ไปสร้างตลาดต่อใช่ไหมมาคิทติ้งแต่อาตอมาไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาจะเปิดอบรมที่ไหนถ้ามันไปถึงสาวันหวันเจวันมาไม่เอาจะไปนั่งพูดบทชั่วโมงแล้วก็ไปเหนื่อยเสียเวลาคนฟัง ก, ก็ก็รู้สึกสนุ ก, กดีเกิดความเพิดเพระดับหนึ่งเท่านั้นนะ น, นะแต่ไม่นำก็หมดไปไม่มีการไม่มีผลต่อการเปลีป่ยนแปลงอะไรดัง น, นั้นในจุดดีนะขอลาดับให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งว่าความรู้สึกสบาย ทางกายนะถ้ามีสติปัญญาตามรู้ความรู้สึกสบายนี้ก็จะเป็นไงเปลี่ยนเป็นปัญญาความรู้สึกมันสบายทางกายถ้ามีสติตามรู้ชัดๆสัมผัตามรู้ชัดๆก็เปลี่ยนเป็นปัญญาเป็นอะไรนะท่านใช้คำว่าเป็นปัญญาจากสุหรือธรรมะจากสูขขึ้นมาเห็นน่จากของอุทบ า, ปปา ท, ที่เกิดขึ้น ญาณังวัตถิปัญญาุทัปปิวิชาวัติอะโลโกทัปฏิไปตรงนั้นเลยเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างขึ้นในใจเบาสบายแต่ว่าความเบาสบายทางกายทําให้เราผ่อนคลายรีแหละใช่ไหมทําอะไรได้สบายแต่พอความเบาสบายทางจิตทําให้เราเกิดสว่างโล่งแจ้งใน ใ, นใจอันนี้คือเราไม่เข้าใจจุดนั้นเราก็จะต้องความไม่สบายเข้ามาเกิดเป็นอาการที่ซ้ำซากตอ่อ จิตของเราจิตของเราก็เป็นจิตพิการแล้เป็นจิต ท, ที่พิกลพิการไม่มีกําลังของสติสัมยาพอที่จะประคองตนให้ตื่นเอาเวกตลอดเวลาจิตของเราก็บกพร่องทุนน้นพราะเรานึกจากมันถูกกดถูกทับมานานน่ะมันโรคกดกดทับะ่ะจนเน่าเสียตร ง, งนอนไปนานจิตของเราเมื่อถูกความเข้าใจผิดกดทับมานานมันพิกล พ, พิการไปไม่มีกําลังแล้วมันก็ตกไปสู่ตัวกิเลส อย่างหยาบมีอะไรบ้างดูให้ดีนะในสุขเวทนาในลําดับที่มันไปเกิดราคะเป็นระดับที่สี่ที่ห้าแล้วใช่ไหมระดับที่หนึ่งก็ความรู้สึกสบายที่ขาดสติปัญญาสติปญจธตรมรู้ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกชอบใจโสมนัสสาวิเทนาและความชอบใจนี้เราก็ยังไม่รู้เท่าทันาก็กลายมาเป็นอะไรไม่ไม่ไม่ไม จำไม่ได้แล้วใช่มศูนย์มนุษยนากลายเป็นนันทิความเพลินนันทิเราก็ไปเพลินจนอยากจะให้ได้มากขึ้นก็เป็นราคะราคะตรงนี้เราก็ไปเอ็นจอยกับมันมากขึ้นกามฉันทะมาเลยใช่ไหมเป็นระดับที่สามที่สี่ราคะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาเลยแต่พอมอยู่ในเวทนาอยู่ที่ตามรู้เท่าทันเนี่ยมันก็ยังเอาละทีนี้ไ อ, ไอโทรศัพ อีกตัวหนึ่งนะอันนี้เรียกให้รู้ว่าราคาโทรศัพมหฮมาได้ยังไงโทรศัพท์กำเนิดมาจากความไม่สบายทางกายที่เราขาดสติสัมยาตตามรู้ใช่ไหมเพราะนะั้นไอ้ตัวโทรศัพท์คือความไม่สบายไอ้ตัวความไม่สบายกายก็ก่อให้เกิดไม่สบายใจเรียกว่าโทมนานัสสเวทนาเป็นเวทนาอยู่นะโทมนานัสสเวทนาเราก็มีสติสัมยาตามรู้ให้มันชัดเจนอีกโทรศัพก็เปลี่ยนเป็น ใช่ไหมโกรธท่าโดยที่เรากม็มีสิ่งต่างรูปกลายเป็นตัวโทสะตัวเปลี่ยนเป็นพยาบาททาก่อนที่มาเป็นนิวร่นะ์ใช่ไหมแล้วต่อไปที่เปลี่ยนเป็นโทสะมาเป็นกิเลสอย่างหยาบแล้วตัวที่สองนะราคะโทสะที่นี้มาดูโมหะบ้างําเนิดมาจากอะไรความรู้สึกที่สบายๆกึง่งสุขกึง่งทุกข์แล้วเราไม่มีสนิทงตางรูปกลายเป็นอุเปขาเวทนาความรู้สึก ทื่อซึมอยู่กับอันนั้นบอกว่าได้สมาธิแต่ไม่ใช่แล้ว Doo ตัวความรู้สึกซ่มซึมทื่อๆอย่างนี้เราก็ยังไม่มีสีตามรู้อีกมันก็เปลี่ยนมาเป็นโมหะนี่เป็นระดับที่สราคะโทสะโมหะจึงกําเนิดมาจากเวทนาทั้งสามนั่นเองเป็นกิเลสอย่างยาบพอต่อไปอีกกามฉันทะเป็นกามตันหาเป็นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางก็มีสาตันหามานะทิฐิ กิเลย่างละอีย่ก็มีสามก็คือกามาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะกําเนิดไปจากเวทนาทั้งสามตัวนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอันนี้คือรู้ทของมันแต่มันขยายลากๆกลากลากลึกลงไปเรื่อยแต่เราไม่เคยตามรู้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนอันนี้คือข้อที่ที่หน้าความแยบคายเราไม่พอเราก็โทษกันไม่ได้นะความแยบคายไม่พอหนึ่งเราไม่มีเวลาเพียงพอสอ ง, สองครูอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้ สามเราก็อ่านตำรามาอย่างลวกๆไม่มีประสบการณ์ในแง่ของวิปัสนาเราก็ตัดสินไปตามความคิดความเห็นของเราว่าน้าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้พิสูจน์ถึงรายละเอียดต่างๆอันนี้คือข้อไม่อยากจะเรียกว่าข้อผิดพลาดข้อที่เราเป็นอโยนิโสมณฑสิการความไม่แยบคายเพียงพอจึงไม่รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราไปโทษใครไปโทษอาจารย์เอง ไ <laughs> ม่ไี้ทวดอยโยนิสุของตัวเองอาจารย์สอนมาได้เรื่องอาจารย์บอกมาผิดแต่ฉันก็เชื่ออย่างเนี้จะว่าไงเพราะฉะนั้นก็ย้อนไปคุณสมบัติดั้งเดิมของเราก็คือต้องมีอีสี่ห้าพระหา่านะนั้นเองตัวนี้เอามาจึงตอกย้ําที่หลังตอนหลังนะ่ะช่วงหลังๆม า, ามาจะตอกย้ำทั้งเวทนามากเพราะเราลึกถึงว่าท่านพระส า, ารีบุตรท่านเห็นเหตุหตรงเนี้ไปฟังธรรมจากใครนะั้างแรก คุณปปะพิจําได้ไหมนานแล้วหลายสิบปีฮะอาจารย์จำไม่ได้จริงอ่ะสมัยนั้นส่งไปสอบต่อปัญหาแข่งกันที่วัดะยุนลายที่หนึ่งประจําพอมาถึงนี่หมดเลยนะส0 4สี 30, 40, ป่ปีอ่าใช่เพราะไปตอนนั้นท่านเป็นวยศกชื่อว่าอะไรนะอุปอุปติสาใช่ไหมอุปติสามานุ์มีเพื่อนชื่อว่า โกริตัใช่ไหมเป็นวัยสุขก็ใช้ชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยที่นี้ท่านมีปัญญาหน่อยวันหนึ่งไปดูหนังหรือดูละครอะไรเนี่ยมันไปเห็นโบทสุขบทเศร้าบทรักบทช่างสลับกันไปสลับกันมาคนทั้งหลายก็เอ็นจอยไปตามบทใช่ไหมแต่ท่านสองท่านเอ๊ะดูแปลกเอ๊ะเดี๋ยวมันร้องไห้เดี๋ยวมันหัวเราะเดี๋ยวมันเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวมันเป็นพระเอกยังไงกันแน่อ๋อจิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็กลับมาดูจิตอ๋อ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดสติเนี่ยเราก็ต้องสนุกสนานไอ้แค่สิ่งเหล่านี้หลอกรวมเหล่านี้ไปวันๆใช่ไหมโลกมันก็อยู่อย่างเงี้ยดีบ้างชั่วบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างโศกเศร้าบ้างชื่นบานบ้างนะก็จะเป็นสลับกันไปสลับกันเราก็จะเอนจอยอยู่กับความสุขปลอมๆความทุกข์ปลอมๆความสุขปลอมๆก็คือได้เห็นรูปสวยๆได้ชอบได้กินหอมๆได้ชอบได้สัมผัสรสอร่อยอร่อยได้ชอบได้ อสัมผัสอาการทางกายได้แอบได้อุ่นได้นอนกับใครแล้วได้ชอบแล้วได้อารมณ์ดีๆใครมาพูดให้ถูกใจก็ชอบอันนี้เป็นความสุขปลอมๆใช่ไหมเกิดจากเหยื่อเกิดการกระทบมักนก็จบไปแต่เราไปติดแล้วเขาคข้นคว้ารูปเสียงกินโดยสัมผัสม า, มาเป็นสมบัติมหาศาลยังไม่พอสืบทอดต่อลูกหลานต่อไปอีกพวกเขาจะไม่ได้สุขปลอมกันเราแต่ท่านเหล่านี้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวเนี่ยมันน่าจะมีที่ ดีกว่านี้นะที่มันจะต้องไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดังนัน้นไปหาอาจารย์กันเลยกันนัดกันถ้าไปเจออาจารย์ที่ไหนดีบอกกันต่อไ ป, ไปคนละทางนะทั้งสองนั้นระวังกุริตะกุปฏิสัตทีนี้นตอนนั้นผู้ทีเจ้าท่านได้ส่งสาวกออกไปเผยแพ่ใหม่ๆสาวกรุ่นแรกเชื่ออะไรนะปัเจวัคคียใช่ไหมเออเนี่ยท่านไปอ ง, อ ง, อ, ง, งองละทางอละทางอยู่ไปทางเดียวกันสองรูปนะภาพเรามีน้อยแค่หรูปเท่า น, นั้นนะปัญจวัคคีย์ถ้าหบวกท่านหนึ่งก็เป็นหกใช่ไหม ที่บอกุประกาศอุดมการเมื่อวานเจริถาพิาเกวะทีนี้พอออกไปเผยแพร่เนี่ยท่านพระอาชาชีก็ก็ได้รับฟังทำละครั้งแรกเนี่ยประมาณควรจะส่งออกได้ประมาณสามหรือสี่เดือนขึ้นไปนะเพราะว่าพบครั้งแรกพอเทศนาครั้งแรกธรรมจักรพระวันสุธิราชวดเมื่อวานพูดได้ดวงตาทำตรงนี้ก็คือท่านเดียวคือท่านอนุญาตุยะใช่ไหม ทีนี้ก็ก็ท่านก็แสดงทำอีกสองสามเดือนเข้าพรรษาพอดีเ น, นี่ยท่านก็แสดงจนกระทั่งท่านทั้งหมดเนี่ยมาออกพรรษาสุดท้ายทุดท้ายออกพรรษาพระองค์การกดวงใจให้ทําองอีสีท่านที่เหลือก็คงเกิดขึ้นในพรรษานะี่ยแหละไม่ใช่โสดาบันนะแต่พอออกพรรษาผู้เที่ยเทศสรุปอีกทีหนึ่งเรียกว่าพระสูเดชนะนะอนัตตลัคนสูตรตอนที่ได้ดวงใจให้ทํา ท, ท่านแสดงทำเรื่องธรรมจักรใช่ไหมพอ สรุปจบสุดท้ายออกพรรษาท่านเทศอันนั้นแต่ละคณะสุดบรรลุธรรมพร้อมกันเลยทั้งห้าองค์พอฟังอันนั้นแต่ละคณสสุดทีนี้พอพระหันเกิดขึ้นหองท่านก็ประกาศประกาศศาสนาให้ไปกุหลาางท่านสุดท้ายเชื่ออะไรนะโคนทัญญาพัปปะพทธิยะมหานามะอจชฉชินน้องเล็กเนี่ยไปเองเอิญไปตำบลเนี่ยบ้านของท่าน บดีสะกับคุิตะบ้านชื่ออะไรพระพินารันทคามบ้านนารันทขามใช่ไหมเมืองป่าวะมืองป่าวานั่นองเมืองราชคือด้วยมืองป่าวาบ้านนารันทคามก็ปรากฏว่าก็ออกบินทบาทตามนั้นซึ่งสมัยก่อนการบินทบาทการจาริกวินทบาตมันมีมาเหมือนกับพระในเมืองไทยทุก ว, วันเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพราหมณ์เหล่านี้ก็เห็น ทั้งสองท่านเนี่ยเขาเห็นภาพทั่วไปก็เดินไปรับบัตกชิบชิบชิบไปบัตรนั้นบนัตรนี้ขอนึ่งขอนี้พู้นั้น ไ, ไปเรื่อยๆแต่เห็นภาพนี้แปลกเดินนิ่มๆเดินสบายๆไม่หลอกแหลกไม่เหลียวหน้าไม่ไล่ล้างเดินอเป็นที่อยู่ทางดูสบายตาเออสงสัยพระองค์นี่มาจากวัดไหนมาจากสำนักไหนเนี่ยจะเข้าไปถามตรงนั้นก็ คนเสียมารยาจิ้นพันกำลังรู้วอมิมารยาในการบินทบารในการจาริกสมัยนั้นเขาเป็นมีอยู่ก่อนแล้วพวกนักบวชต้องเยอะแยะในสมัยนั้นนะนะเออองค์นี้น่าสนใจก็ตามไปกะว่าท่านบินทบาทมาแล้วท่านพักฉันที่ไหนก็จะเข้าไปคุยสุนทรณาตามไปห่างๆจนกระทั่งท่านบินทบารพอแล้วก็มานั่งฉันใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งสังเกตว่าท่านทำธุระส่วนตัวเสร็จล้างบาทล้าง น, นั้นทําอะไรเสร็จเรียบร้อย บาดเส้นสมัยนั้นคงจะเป็นกะ ล, ลาหว้าเปล่าอะไรพวกนั้นน่ะนะเรียกะระโปรงคงบาดแต่เหล็ดเดี๋ยวนี้คงไม่มีหรอกเพราะฉันเสร็จก็เข้าไปกราบถามว่าท่านมาจากวัดไหนสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจา ร, รย์ของท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรทำที่ท่านรู้ท่านเห็นเป็นอะไรภาษาเรบุตรก็ดูว่าคนที่ถามเอาจริงอาจังเป็นคนแรกนี่มาถาม เพราะว่าหนุ่มฉันเพิ่งบทใหม่นะเพิ่งเข้าถึงทำไม่นานนี่แหละเพราะฉันจะตอบปัญหาอย่างที่ท่านถามเป็นเรื่องเป็นราวคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเพิ่งเข้าใจใหม่ๆเหมือนกันฉันก็ฉลาดทัน้นไม่เป็นไรท่านพูดเนื้อหาสาระนิดเดียวผมพอจะเข้าใจได้เหมือนนะ<ม>อาจารยชิก็กล่าวคำสอนนี้ออกมาย่อยๆว่าเยธรมมาเฮตุปววาเตสังเฮตุงตถาคต เตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณุแค่เนี้ยปรากฏว่าคุณฟังเป็นไงเข้าใจได้ตรงไเห็นทําแต่เราเป็นฟังร้อยครั้งฟันหนก็ยังเฉยๆอยู่นะเพราะไม่ใช่ภาษาของเราใช่ไหมว่าเยธรรมาเหตุภาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันมีเหตุมิธีไปที่มาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันเกิดแต่เราจะจัดการให้มันดีหรือไม่ดีไปจากการที่เหตุไม่ใช่มาจากการที่ผลนี่อาจารย์ชั้นสอนอย่างนี้ประจําเลยอ่า ยค่สามสี่เดือนมันมาที่ใช่ไหมแล้วท่านอันนี้ขอต่อให้ให้จบเลยความจริยเรายกมาประเด็นมาสนุ น, นเรื่องเวทนาเท่า น, นั้นนะะแต่ไปถึงจุดนั้นก่อนอ้าข้ถามว่าท่านนั้นอาจารย์ท่านอยู่ไหนตอนเนี้ย๋ออยู่ที่อนุปิยะอัมพวันอ่าเดี๋ยวผมตามไปผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งพอนัดกันไว้ว่าถ้าไปเจออาจารย์ดีที่ไหนเนี่ยให้บอกกันผมจะไปตามเพื่อนก่อนแล้ว ก, กลับไปป้าน ไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไปหาเพื่อนจนเจอก็บอกเอเนี่ยฉันเจออาจารย์ดีแล้วนะอะ๋อดีอยังไงสอนว่าอย่างเงี้ยผมเข้าใจเลยมองทะลุเลยว่าอะไรปไปเลยแต่เพียงแต่ว่าได้ธรรมะจากสูตรเท่านั้นยังไม่ได้เกิดตัวไอ้เข้าถึงธรรมเลยได้ธรรมะเข้าใจอะในสิ่งที่พูดพราะมันต้องมีที่ไปที่มาไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญใช่ไหมแต่พระเจ้าอะไรต่างๆในศาสนาฮินดูศา ส, สนาราหมณ์มนมีพระเจ้าเกิดขึ้นเนยอะแยะ แต่มันมีเหตุที่ไปที่มาเลยเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อันนี้เออเข้าท่ามีที่ไปที่มาก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนชื่อว่าโกริตะมานุกเหมือนกันอธิบายเออเข้าใจก็ได้เข้าใจด้วยดวงใจเห็นทางมีคนหนึ่งจากเพื่อนนะยังไม่ได้พบพระเลยนะฟังจากเพื่อนแค่นี้ได้วดวงตจเห็นทางมก็เข้าใจแล้วงั้นเราไปหาอาจารย์ของอาจารย์นี่ที่นี่ทุ่ที่อนุปยอรรมพวันไม่ไกลจากที่นั่นก็พากันไปพบ ก็ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชนะแต่ว่ากอ่อนจะบวชเนี่ยผมขอเวลาไปพบกับอาจารย์เดิมของผมอาจารย์เดิมขอผมเชื่ออะไรสนชัยใช่ไอาจารย์สนชัยปริภัชชกใช่ไหมอา่าก็ไปตามอาจารย์สนชัยจเป็นอาจารย์ที่ดังมากมีรู้สีหายเยอะแยะเออท่านอุปฏิสัต์กับพุทธิจัก็เข้าไปในก่นท่านสอนก็เลยว่า ลื่นไหลอ่ะแล้วแต่ใครจะปฏิบัติวิธีที่ไหนมาก็ได้วิธีนี้ก็ถูกวิธีนี้ก็ถูกแต่ให้ทําอย่างนี้อย่างงี้แต่มันไม่ใช่อ่ะใครชนานาญเทคนิคอไหนก็ต้องอุดสอนในเรื่องนั้นไม่ใช่เอาเทคนิคทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวเป็นเป็นมา์เก็ตติ้งชัดๆเลยอ่ะอืมไม่ถูกถ้าชํานาญวิธีนี้ก็ต้องอธิบายที่วิธีการลักษณะอะไรอย่างนี้ให้ชัดลงไปไม่ใช่เอาของใครมาเป็นรวบของตัวแล้วก็บอกว่าทาได้เหมือนกันหมดอ่ะทำอย่างงี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้อันนี้ไม่ถูกอย่างที่เขาทากัน ทีนี้พอฟังทำเอออยากบวชเดี๋ยผมไปบอกอาจารย์อาจารย์ไปบอกอาจารย์ว่าเออตอนนี้ผมเจ อ, อสมณะโคดมองใหม่ให้สอนว่ายังงี้ยอาจารย์ไปได้วยกันไหมเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนมามันก็ไม่ถูกนะเขาเล่าลูกศิษย์มันฉลาดใช่ไหมทวงอาจารย์ได้อะลูกศิษย์มันฉลาดที่อาจารย์สอนมาอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกนะวันนั้นไปพบสมณโคดมองนะโอ้เธอมันฉลาด ไปกันเองก็แล้วกันแต่ฉันได้รู้สิทธเยอะแยะจะไปได้ไงไม่ได้ก็ไปกันเองก็แล้วกันถ้าเลยถามก่อนที่จะไปถามท่านอุปติสาว่าในโลกเนี่ยระหว่างคนโง่คนฉลาดอันไหนมีมากกว่ากันอันไหนมีมากกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะวันนี้คนฉลา ด, นนนลาดไปหาสหํมรภูมิลงแต่คนโง่ ม, มาหาเราเพาหากินกับคนโง่มันสบายกว่า คือจะหลอกยังไงก็ได้อะใช่ไแต่คนฉลาดหลอกเขาไม่ได้น ะ, ะงั้นฉันให้กินยาคนโมงอคนนานแล้วก็ไปทำต่อไปฉันจะให้เปลี่ยนไปขึ้นเกับสมรัคขดุมมันไม่ได้หรอกเสียสมบัตทานเสียลาบส ก, การ ะ, ะไปก็แล้วกันออเพาชักจูงอาจไาม่สำเร็จเข้าไปพระพุทธจ้าเขาขอบวชขอบวชก็เออก่อนที่จะบวชเนี่ย เขาถ้าไปชวนแต่และคนก็มีเพื่อนเยอะนะปฎิสระก็าเป็นหัวหน้าแก๊งเงี้ยเราทำภาษาว่าเราใน ห, นงหงนัวหน้ากลุ่มหัวหน้าก๊กเนี่ยก็ไปชวนเพื่อนมาก็ไปชวนเพื่อนมาได้เยอะถึงสองร้อยห้าร้อยคนนะห้าร้อยคนก็ไปพบก็ปรากฏว่าไปฟังพุทธเจ้าพร้อมกันก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทีนี้เด็กแค่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือรู้รูปนามอะรู้อะไรมันหนักมันเบามันเข้ามันออกรู้เฉยเยแต่มันยังตัดความคิดไม่ได้นี่เรียกว่าได้ดวงตายเห็นธรรม ความคิดดีความคิดไม่ดีรู้อยู่นะมันเกิดยังไงแต่มันตัดไม่ได้แต่รู้สึกตัวแต่ว่าพยายามละความคิดที่อยากหยาบได้ความคิดที่ละเอียด ก, ก็พยายามละไปเรื่อยๆนั้นพวกนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมที่ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเราปนกันมั่วเยอะความรู้สึกกับความคิดเป็นอย่างเดียวกันแต่คงจะมันคนละอย่างใช่ไหม แต่พอเราได้ดวงใจเห็นธรรมเห็นความคิดก็อย่างหนึ่งความรู้สึกก็อย่างหนึ่งพอมาเจริญสติแล้วก็อยาเอาแต่ความรู้สึกเวลาความคิดเข้ามามันมันจะเห็นเมื่อก่อนความรู้สึกของเรามันบางเบามากคิดขึ้นมาที่ไหนความคิดดึงไปกินหมดมันไปกับความคิดหมดใช่ไหมเราแยกไม่ออกแต่พอเรามาซักซ้อมความรู้สึกตัวแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยความรู้สึกมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นใจขึ้นพอความคิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแทนที่มันจะดึงความรู้สึกไปกับมันใช่ไหม ไปไม่ได้แล้วความคิดความรู้สึกมันมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำน้อยกว่าไฟโยนเข้าไฟที่ไหนหายหมดแต่พอมาสังสมความรู้สึกมากเมื่อเขาเราสังสมน้ํามากเข้ามาเข้ า, า, ขาน้นํามันมากกว่าไฟโยนไ ป, ไ, ไปป๊อบไฟเป็นไงดับนี่เห็นไหมถ้าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟแต่ถ้าน้ํามากย่ำดับไฟ แต่ความรู้สึกที่เราทํายกมือสร้างจังหวะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยกำหนดตามรู้ไปทุกวันมันมากเข้ามัเข้าพอความคิดมากระทบปับ๊บเหมือนกับไฟตกใส่น้ําเมืม่อก่อนน้ามันน้อยเหมือน้ําตกใส่ไฟน้ําแห้งปุ๊บไปเลยหายปุ๊บไปเลยแต่พอน้ำมากมันไฟตกใส่น้ําเป็นไงจมหายไปเลยอ๋อนี่คือดวงใจเห็นธรรมอ๋อเราก็เลยมาอยู่กับความรู้สึกนี่เนี่ยพอจิตไปอยู่ความรู้สึกตัวเป็นไงผ่อนคลาย สบายใช่ไหมแต่ความคิดมันก็ยังมาเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราแยกออกแล้วนี่อารมณ์รูปนามเพียงแค่นี้เห็นความรู้สึกกับความคิดแยกกันชัดแต่ยังตัดความคิดไม่ได้เพราะกำลังของสติยังไม่พอเพราะความคิดเลยสังสมมีรากมีรูปมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติเลยใช่ไมแต่จู่จูมันจะตัดปุ๊บนอกจากคนมีปัญญาที่สังสมความรู้สึกมานานเท่านั้นจะทาได้นะ แต่ยังเราเท่านท่านที่เห็นกันอยู่เนี่ยความคิดเนื้อกับแปลเป็นสารพัดอย่างเวทนาทั้งสามเกิดจากความคิดเกิดจากเวทนาทั้งสาไม่ว่าสุขเวทนาเราคิดในเรื่องแต่อยากให้มันสูงมากขึ้นไปใช่ไหมเร็คิดในเรื่องหาวัตถุทั้งหลายมาตอบสนองหารูปดีๆมาสนองตาหาเสียงดีๆมาสนองหูหารสดีๆมาสนองลิ้นหากิ่นดีๆมาสนองจมูกหาสัมผัสดีๆหาลูกหาเมียดีๆมาสัมผัส ว, วันๆนึกคิดแต่เรื่องเราเนี่ยหาสุขเวทนามาเสริมแล้วก็สมมุติว่าเป็นคนมีเงินเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมีอันจะกินมีการมีงานเพื่อสนองต่อสุขเวทนาของเราเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมทีนี้ก็กลายเป็นความเคยชินเรียกว่าเป็นกามาสวะเห็นแะไรก็อยากหมดอะไรที่มันเป็นกำไรกําไรอะไรที่มันจะได้เนี่ยเอาไว้ก่อนเป็นภาววะ เขาก็ใช้ตรงนี้ก็เป็นเหยื่อล่อเราให้หลงติดอยู่ในโลกิยะสูขทั้งหลายแต่สาวกของบุทิเจ้าเกิดฉลาดขึ้นมาโอ้ไม่ใช่นี่ไอ้สิ่นนี้คือเป็นเวทนาเนี่ยไม่ใช่สุขจริงเป็นสุขปลอมเป็นเป็นอนเรียวให้ปีเดชนเนี่ยก็เลยแสวงหาสิ่งนี้ปรากฏว่าพอฟังเทศเหล่านี้แล้วปรากฏว่าเพื่อนๆนของทั้งสองแหลงอุปติสะ โอลิตะเนี่ยบรรลุทำก่อนแต่สองท่า น, นยังไม่บรรลุเลยสงสัยอยู่เพราะคนฉลาดสงสัยเยอะใช่ไหมมีที่ถี่มาน่าเยอะคนฉลาดเนี่ก็มันยังไม่ลงตัวในที่สุดพอบวชแล้วเอ า, เอ า, เอ า, เอานามสกุลตามเอาชื่อตามนามสกุลอุปติสะเป็นลูกของเป็นสกุลของสาลีก็ออกมาเป็นสาลีบุตรโกริตะเป็นลูกของตระกูลโมคขลาน ก็เชื่อออกมาเป็นโมคลานะสาริบุตรเปลี่ยนชื่อใหม่เลยเรียกวิาชายาเมื่อก่อนนามาชื่อดิเรกเนี้ยพอบทแล้วเป็นอะไรพุทธยานาันโทอะไรน้องเนี้ยนนี่คือได้ฉายาใหม่นะเสร็จแล้วก็เลยเอา้าเมื่อมันยังสงสัยท่นพระโมคลานะก็บอกว่าเอางั้นผมขอเก็บอารมณ์สักเจ็ดวันอย่างที่เราเข้าเก็บนะขาเก็บอารมณ์ไหมขาเก็บเข้มอะ่ะ ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งไม่อะไรกันนั่นเลยเก็บห่องแต่ถ้าเาได้เก็บได้ครึ่งเดียวนะพอเรามาร่วมกับเขาถ้าเราไปเก็บที่บ้านของเราเออจะตร้อยเปอร์เซ็นได้อยู่ตลอดเวลาออกมาถาดข้าวบ่าบน้ํา น, นั้นตลอดเวลาก็คือเป็นโจกรมสร้างจังหวัดเรียก ว, ว่าเก็บเข้มเพราะในช่วงเก็บเข้มต่อเนื่องเนี่ยมันจะเห็นสภาวะาต่างๆเกิดเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวขี้เกียจมาเดี๋ยวง่วงเหงามาเดี๋ยวฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวสลับกันไปสลับกันมาตลอดเวลาเราทนมันได้ไหมถ้าทนไม่ได้ก็ปัดกนหนีเลยนะ เลืองอะไรกูว่านางทรมานตัวเองอยู่ที่นี่กูอยู่ดีสบายจะตายไปกูถูกหลอกหรือเปล่าไปโน่นเลยคิดไปโน่นเลยที่นี่แต่พอเราเข้าใจลูกนา้าเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราจะเห็นความรู้สึกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นความคิดก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่างเห็นต่างชัดทั้งสองอย่างมันจะมาอํานาจมันพอกันแล้วที่นี่ต่อสู้กันแล้วอำนาจพอกันความคิดก็จะดึงความรู้สึกไปไม่ได้ความรู้สึกจะดึงความคิดยังจึ้งกันอยู่ยังขึงกันอยู่ แล้วก็เพียงแต่เพิ่มน้ำหนักให้ความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมในที่สุดนอกจากความคิดดึงไปไม่ได้เราก็ดึงความคิดกลับมาเป็นอันเดียวกับความรู้สึกความคิดที่มากระทบความรู้สึกแปลงมันได้มันกลายเป็นปัญญามีปรัชญ า, าเริ่มเกิดตรงนี้เรียกว่านามมารูปปริเฉทยญยาณญาณสิบหกนี่เริ่มเกิดแล้วเห็นว่าอ๋อความคิดมันก็เป็นนา ม, มารูปชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมกระทบแล้วเหมือน วัตถุมากระทบไฟกลายเป็นออกมาเป็นอะไรเป็นเงาใช่ไหมไฟสว่างๆเขามีอะไรวัตถุมาผ่านโอ้เกี่ยนน้ำเกล็บตกเนี่ยรนะพราะวัตถุอะไรมาผ่านเงาปรากฏน่นเลยใช่ไเพราะนั้นไอ้ัวเงาที่ปรากฏนั่นคือนำ ม, มารูปเราไปกาหนดนา ม, มารูปเป็นดับกลายมาเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแสงสว่างทะลุเข้าถึงใช่ไหมวิปัสนาญาณเกิด เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะแต่ว่าไอการที่จะมาพูดกันให้เห็นชัดอย่างนี้นแต่เราต้องพูดไว้ก่อนบางคนมีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะเข้าใจได้แต่เรายังไม่มีภูมิธรรมปัญญาที่เข้าใจได้ก็ฟังไว้ก่อนก็แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระโมคคัลนะก็เลยขอไปเก็บอรมณ์เจ็ดวันปรากฏว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยง่วงทุกวันนั่งยังไงก็ง่วงเดินยังไงก็ง่วง พอวันที่เจ็ดพุทธเจ้าเขาแอบไปดูแต่ในภาษาท่านจะบอกพุทธเจ้านั่งอยู่ที่อนุปยะอัมพวันแล้วง่สงส่งญานไปดูต้องพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เราจะไม่ขลังน ะ, <c oughs> ะท่านก็แอบไปดูเหมือนกันนะเดินจงกรมทาไมคือคื อ, คอท่านแอบไปดูไปพ็พักๆอ่ะแต่ทําไมม่วงทั้งทั้งวันเลยนะท่านนี้ไม่ตื่นเลยก็เลยอ่ะวันสุดท้ายแล้วเขาเ้าไปสะกิด ต, ตื่นตื่น เอาไมนั่งว่างเงมันนักจีิจริงว่าไงนะงั้นเธอลุกขึ้นไปอะไรก็เด็ดดอกไม้ไปหญกได้มาย้อนหูดูปัดหูเล่นเพื่อผูกบริสัท์ใมันตื่นท่านก็ทํำตามนะสักพักไปนั่งท่านก็แอบโดยจงกลุมอยู่ห่างๆนะี่ยเอาสักพักเอาอีกแล้วงอกงอกอีกแล้วยเอาไปสกีตอีกเอางั้นเอาน้าไปไปล้างหน้าล้างหน้าก็ชื่นดีนะก็เดินจงกลุมสักพักก็มานั่งนั่งก็เอาอีกแล้วคอหังอีกแล้วพอ งอปเ <laughs> อาอย่เงงั้นเธอเดินออกมาไปดูนู่นดูยอดไม้ใบหญ้าอยู่แสงตะวันน่ยดูใกล้ๆไปมองใกล้เวลาง่วงจะไปมองแค่นี้ไม่ได้มองไปไกลๆแล้วมีสว่างออกไปท่านก็ดูเดินดูไปสักพักหนึง่งก็กลับมานั่งใช่ไหมกลับมานั่งเกา่าเอียะงอกงอกงอกีกห้อยอย่างไดน้อเดี่ยวๆหนึ่งๆก็เลยอ้านี่เธอไป สวดบทอะไรก็ได้ที่เธอจําได้เนี่ยที่เคยสวดสวดมันดังๆเลยนะนะโมก็ได้กรณีเมตตาสูตได้อิติปิโสก็ได้สวดดังๆก็สวดดังๆเป็นการปลูประสาทให้ตื่นใช่ไหมพอบอกอุบายแต่ละครั้งพุทธิยถาท่านกระลบเหมือนกับกลับอะแต่ท่านกระลบก็อยู่อีกที่หนึ่งท่านไม่เห็นหรอกท่านมุขละนาถมาพุทธิย้ากลับไปแล้วอย่างไงก็ได้ใช่ไหมที่ไหนได้พุทธิยถาแอบดูอยู่อ้าวเดี๋ยวเสียงค่อยลงค่อยลงค่อยลงเย็บไป เอามาดูอีกที่เอานั่งหลับอีกแล้วนะแค่เป็นทั้งสิบวัยนะทั้งสิบอย่างอันนี้ตัวอย่างนะสองเชืออยาวัายก็ปรากฏว่าอ่านสุดท้ายบอกเออเธอง่วงนอนมานักนอนหลับมาเลยนอนเลยไม่ต้องทําอะไรแต่ว่ามีข้อแม้นะนอนตะแคงซ้ายเนะหากว้อเหลี่ยมข่ายซ้ายแล้วกางมือเขาเรียกนอนอะไรสี่ห้าสายยาใช่ไหมสีหส่ห้าสายาที่นอนแบบนี้ยนอนเหลี่ยม เท้าหัวเหลี่ยมเท้าสายนอนอย่างนี้นะอย่าไปนอนแบงอื่นแต่ถ้าหากว่ามันตื่นขึ้นให้ลุกเลยนะอย่าไปนอนต่อเพราะงั้นใก็นอนไปพักหนึ่งไปไงสักพักหนึ่งพอมันง่วงบึ้บนีหน้ากระแทกพื้นดีนบึ้มหน้ากระแทกพื้นสาตอลิปมือขึ้นเลยทีเนี้ยระเบิดเลยอะอวิชาที่คุ้มมาหลายภบหลายชาติระเบิดปรากฏว่าบรรลุธรรมหรืออบายแกงง่วง ท่านก็นเลยใช้ท่าสีหาสายญาตเนี่ยพระพุทธองค์ ก, คก็เลยสีหาสายญาตดังท่านอนมีตั้งหลายท่าใช่ไหมแต่ว่าท่าอื่นไม่ได้แต่ท่านี้มาจากเพราะมันมีประวัติเพราะทําให้ท่านพระมุคลานาบารุทําได้หน้าศัพท์ปึ๊กขึ้นมาคงจะมือลูกพระพุทธเจ้าสมน้ำหน้าแต่ที่ไหนถ้าท่านเอาเวกขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยอวิชชาที่ห่อหุ้มจิตมาตลอดหลายพบหลายพันชาติท่าน ต่อมาเนี่ยผร้ที่เจ้าก็มาเราให้พระฟังว่าภาษาลิบุตรเออพระมุคคล า, านั้นในกฎจะบรรลุได้เนี่โอ้โหกแก้กันไม่รู้กี่หนเนี่ยฮักอธาว่าเพราะอะไรถึงหนักขนาดนั้นพวะคุณพระอาจารย์ก็เพราะว่าตลอดหลายภพหลายชาติมาท่านมุคคลานั้นบำเพ็ญตนเป็นมหาฤาษีนั่งเข้าฌานมาหลายภพหลายชาติแต่โดยมิจฉาสมาธิเนี่ยมันมาทับจิตพอมาชาติปัจจุบันหนักมากพมเพราะบำเพ็ญสมาธิมาหลายภพชาติแต่ สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันก่อให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชอำนาจพลังขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรได้เยอะแยะแต่วันมันไม่ทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวการบำเพ็ญเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์นะเป็นมหาฤาษีเนี่ยในตระกูลของพุทธเจ้ากืเป็นมหาฤาษีทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงอริยธรรมได้อยังมากไปไปเกิดเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเท้ามหาพรหมอย่างที่เรากล่าวไว้กันนะเป็นพรหมสูงสุดก็คือเข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุดเรยว่าฌานแปด พระโมคคัลละก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนมันถึงได้หนักหนาสโหูขนาดนี้ไงเพราะสมาธิไปทับจิตแต่บางเออเน่ยเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมมาสมาธิที่ย้อนไปกับเมืองไทยเนี่ส่วนใหญ่สมาธิของเราเป็นไงสมาธินี่มิจฉาสมาธิแทบทุกวัดนะ ว, วันไหนไม่มีรูปไม่มีเรียญไม่มีของขลังขายม่เชื่อว่าไม่ไม่เชื่อว่าเป็นวัด น, นะต้องมีน้ำมนลต้องมีของขลังศักดิ์สิทธิ์คุณแดนก็มีเยอะอยู่เงื่อนนี้ไ พระรูปไหนมาแวะก็เลยว่าแจกของขังกันแจกรูปแจกเหรียญกันนะ่นะเกิดมาจากก็เข้าใจว่ามีสมาธิสูงแล้วไปเสกไปเป่าอะไรก็ขังใช่ไหมก็ขัอขงอ่ะด้วยอุปทานทุกคนเดี๋าว่าแต่อื่นก็ไม่แต่หลวงพ่อคูณเหรใช่ไหมซูเปอรข์ขังเลยแหละดัง น, นั้นมันมีผลนะไม่ใช่มีผลนะแต่ว่ามันไปอีกทางหนึ่งท่านบอกว่าเป็นก่อให้เกิดลาบสักการะชื่อเสียงได้แต่ว่ามันไปนิพพานไม่ได้น่ะ อันนี้คือเล่าเรื่องของพระสาลีบุตรก่อนเอพระโมคคะะก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องด้วยอาทุกขรมสุขเวทนาตรงไห น, นเพราะอาทุกขรมสุขเวทนาได้ก่อให้เกิดมิถีถีนะมิถะคือความง่วงเหงาเฮานอนใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราแก้อาทุกขรมสุขเวทนาได้มันจะแก้ความง่วงเหงาเฮานอนได้แต่ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องนําไปสู่ความง่วงเหงาเฮานอนความฟุง้งซ่านความสงสัยนะเพราะฉะนั้นตัว อาทุกขมสุเป็นเวทนาที่สบายๆเราก็ไปเอ็นจอยกับมันใช่ไหมไม่มีสติตามรู้อาทุกขมสุนานะก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาซื่อซึ่งซึมถุมเอจอยแต่ความตึงรู้ไม่มีแล้วเพราะอุเบกขาเวทน า, นาไม่ถูกตามรู้ก็กลายเป็นความหลงในอหลงเป็นโมหะเอาเป็นโมหะเราก็ยังไม่รู้มันอีกก็กลายเป็นถีนะวิทอุทจจะวิชิกิชา ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิวิชฉาสังกัปปามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิจนไปเป็นอวิชชาสวะตรงนั้นไอรูทของตัวอทุกขมสุขเนทุยจะยาวกว่เพื่อนรู้พวกนั้นแค่สิบกว่าอย่างนี่สิบไอสิบสองอย่างใช่ไหมที่เราเรียงมาเมื่อวานแต่ตัวนี้สิบกว่ายี่สิบอย่างอ่ะเรียงไปแล้วเพราะนั้นคําว่ามิจฉาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะ ทุกข์เามสุกงัญที่ไม่ถูกตามกํากหนดรู้แล้วก็แก้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าทึงเทศในเรื่องของพ ม, มาชัดทีสุดว่าถึงเรื่องทิฏฐิหกสิบสองอย่างนะหกสิบสองอย่างไปเปิดดูในพระดารบิโกก็แล้วกันนะแต่และอย่างก็แยกกันไปดังนั้นอันนี้คือที่ไปที่มาของของเวทนาทั้งสามแต่เรื่องพระสารีบุตรจะเล่าต่อพรุ่งนี้วันนี้ไม่หมดเวลาแล้ว เอาเจา้าฟวองโมฆลานาะก็พอเพราะว่าภาษารีบุตรบรรลุเข้าถึงเป็นพาาระอหันต์เพระฟังทำอะไรวันก่อนก็เกิดมาทีละแต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผู้ที่ไปเก็บอารมณ์ถ้าเกิดห่วงเหงาห้องนอนมาก็าให้รู้ว่าเราเอ็นจอยในอุปขาเวทนาถ้ามันฟุ้งซ่านมาแล้วก็เอ็นจอยในถ้าคึดสู้ขึ้นมากู ค, คนหนึ่งอะไรนั้นก็จะเป็นทุกขวเวทนา ที่ไม่ถูกกาหนดรู้แล้วไปโอ้รู้สึกสุขได้ปิติดีเหลือเกินเนี่ยเราไปติเนปิธีก็เป็นสุขเวทนาที่ขาดสถียรกำหนดรู้อีกนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุที่เราได้เรียนรู้เรื่องของอทุกขมสุขเขเวทนาเพื่อที่จะนําไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องแล้วก็เกิดความก้าวหน้าเห็นสภาวะธรรมต่างๆในตนเองชัดเจน มากขึ้นจนสามารถอยู่เหนือสภาวะเวทนาทั้งสามได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดแล้วกลับมาพบกัน